สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟซูตอนที่สามร้อยเก้าสิบสองเรื่องมาเดื่อพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมารกโกบทที่สิบเอ็ดข้อสิบสองถึงข้อที่สิบสี่นะครับมารกโกบทที่สิบเอ็ดข้อที่สิบสองถึงข้อที่สิบสี่โปรดฟังเพจนะของพระเจ้าขันลุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบทานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิว พอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบจึงเสด็จเข้าไปดูว่าจะมีผลหรือไม่ครั้นเมื่อถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดือ่อพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยเหล่าสาวกได้ยินคาซึ่งพระองค์ตรัสนั้น พี่องครพลจนนพระเจ้าในชาวันนี้เกี่ยวข้องกับมะเดือ่อมะเดื่อนั้นเป็นพืชที่มีความสลักสําคัญมากสําหรับอิสราเอลพี่น้องครับพี่น้องจําได้นะครับว่ามะเดื่อนั้นเป็นชื่อต้นไม้นะครับชื่อแรกของพระกัมภีร์เลยครับเพราะเหตุที่ว่าพระกัมพีได้บันทึกว่าเมื่ออาดัมเอวาทาบาปเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาผิด ย้องอะไรเกิดขึ้นกับเขาครับพระกัมพีบันทึกชัดเจนนะครับว่าเขาเอาใบมะเดื่อมาปกคลุมปกปิดร่างกายของเขาพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูนครับว่ามะเดื่อนั้นมีอะไรที่มีความสําคัญบ้างในพระคัมภีร์ในขณะที่พระเยซูได้ทรงสาบต้นมะเดือ่อปรากฏว่าในพระกัมพีอีกตอนหนึ่งครับบัพติศบทที่ยีิบเอ็ดข้อสิบแปด และในมาละโกนะบทเดียวกันก็คือบทที่สิบเ็นะครับก็ได้พูดถึงว่าขั้นเวลาเช้านะครับในข้อที่ยี่สิบเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านที่นั่นไปก็ได้เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากฝ่ายเปโตร ล, ลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค้าขอทอดพระเนตรต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาบไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้วพี่น้องครับ ทำไมพระเยซูจะต้องสาบต้นมาเดื่อบ้างพระเยซูโมโหโทโสหรือเปล่าอ่อนื่นนะครับเราจะมาดูกันว่ามะเดื่อนั้นเป็นยังไงบ้างมะเดื่อนั้นเป็นต้นไม้ยืนต้นครับแล้วก็ลูกมะเดื่อนั้นแรกเริ่มเดิมทีมันจะเป็นสีเขียวพอเวลามันแก่แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นสีแดงมะเดื่อลาต้นของมันนะครับ มียางสีขาวและผลของมันก็ออกมนกระจุกครับกลมเป้นบ้างรูปไข่บ้างนะครับผลอ่อนสีเขียวผลสุกเป็นสีเหลืองหรือแดงหรือชมพูแล้วแต่พันธุ์ของมันการปลูกมะเดื่อ น, นั้นพบว่ามีมากกว่า 2,000 ปีแล้วตามตำนานของยุโรปและตะวันออกยุคโบราณบันทึกไว้ครับชาวอียิปต์ และชาวกรีกโบราณเชื่อว่ามะเดื่อนั้นเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารสำหรัน บ, บนักกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณมะเดื่อนั้นมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเอโอซีนวิตามินบวิตามินซีเยอะแยะมากมายครับมะเดื่อนั้นใช้กินเป็นผลไม้สดใช้ทําขนมก็ได้ในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ถึง ขนมมะเดือ่อเป็นพือที่สำคัญของชนชาติอิสราเอลครับในพระธรรมเอเสเคียวบทที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่สิบสองกล่าวถึงการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าในสมัยนั้นสินค้าอย่างหนึ่งของอิสราเอลก็คือต้นมะเดื่อและผลมะเดือ่อพีน้องครับในพระธรรมวิวร์พระกมีเล่มจุดท้ายก็พูดถึงเรื่องมะเดื่อมันกันครับในพูดในบทที่หกข้อสิบสามบอกว่า ดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดินเหมือนกับต้นมะเดือ่อถูกลมกล้าพัดทำให้ผลที่ยังไม่สุกหล่นลงหมด พ, พระเจ้าก็พูดถึงชายล่างเตี้ยนะครับซักเคสพยายามจะดูว่าเห็นพระเยซูเขาก็วิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดือ่อต้นมะเดื่อนั้นก็โตได้ถึงหกเมตรนะครับแล้วก็มีลำต้นที่แข็งแรงและใช้ทา ข น, นมแป้งแผ่นของอิสราเอลพี่น้องครับพระเจนะพระเจ้าในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของมะเดือ่อที่เป็นบทเรียนมะเดือ่อตรงนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนของอิสราเอลครับมะเดือ่อมีผลมีลูกถูกพิจารณาว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติอิสราเอลในทํานองเดียวกันถ้ามะเดื่อ ไม่เกิดผลก็จะต้องถูกสาปให้ตายไปมะเดื่อมันเป็นตัวแทนของจิตอิญญาณของความเป็นหมันของอิสราเอลในเรื่องนี้ครับมีความหมายว่าข้างนอกฉุกใสข้างในเป็นโพรงครับพวกเขาเคร่งพธิธีเคร่งศาสนาแต่ภายนอกแต่จิตอิญญาณเป็นหมันเพราะ บ, บาปของพวกเขาที่ปราศจากความเชื่อในพระเยซูเพราะฉะนั้นบทเรียนจากต้นมะเดื่อนี้เราจะต้องตระหนักครับถึงผล นะครับผลของพระวิญญาณผลทางจิตวิญญาณมากกว่าการถือพิธีภายนอกพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาที่ให้เราเป็นต้นไม้นะครับที่สำแดงผลดีพระเจ้าพระเยซูก็เปรียบเทียบเรื่องของมะเดือ่อกับชนชาติอิสราเอลเสมอพี่น้องครับต้นมะเดื่อนั้นใช้อ้างอิงถงอิสราเอลเยอะแยะมากมายครับและ ในฮาบากุนะครับมีข้อความที่สวยงามมากพูดถึงต้นมะเดือ่อแม้ต้นมะเดือ่อไม่มีดอกบานหรือถาวงุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงเร น, นั้นข้าพาเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพาเจ้าจะเปรมปีนในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพาเจ้าอันนี้พบอยู่ในฮาบากุบทที่สามข้อสิบเจ็ดสิบปดพี่น้องครับ เพราะเจเนะของพระเจ้าตอนนี้ทําให้หลายคนสงสัยว่าทําไมพระเยซูต้องสาบต้นมะเดื่อด้วยคําตอบก็คือว่าต้นมะเดื่อนั้นไม่เกิดผลความจริงแล้วต้นมะเดื่อ น, นะครับภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าบ่อหวยกล้วยนะครับภาษาจีนกลางแมนดารินก็แล้วอูหัวกัวอูหัวกัวเพราะฉะนั้นมันมีคําที่พูดอย่างนี้นะครับว่ามะเดื่อนั้นเป็น ผ ล, ลไม้หรือต้นไม้ที่เวลามันมีลูกนะครับมันไม่มีดอกพูดง่ายว่าระยะที่มันเกิดดอกนั้นมันแป๊บเดียวครับจากนะครับแคปแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นธรรมชาติของต้นมะเดื่อนั้นก็ผลนะครับผลมะเดื่อนั้นมาก่อนใบมะเดื่อครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีใบแสดงว่า จะต้องมีผลพระเยซูเห็นต้นมะเดือ่อมีใบเสด็จเข้าไปดูว่ามีผลหรือเปล่าแสดงว่าความคาดหวังของพระเยซูนั้นก็พระเยซูเชื่อว่าน่าจะมีผลแต่ครับแต่เมื่อมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบนะครับพระเยซูก็พูดตรัสแต่ต้นไม้นั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยนั่นหมายความว่าเมื่อเดื่อนั้น เลงถึงอิสราเอลครับเปียซูกำลังบอกอิสราเอลบอกว่าตั้งแต่นี้ไปพระพรจะไม่ผ่านตัวเจ้าอีกนั่นหมายความว่าอิสราเอลนั้นก็จะสิ้นชาติครับและพระพรแห่งความรอดก็จะผ่านมาทางสายอื่นก็คือทางสายคริสเตียนไม่ใช่ทางสายอิสราเอลแล้วอันนี้เป็นประการแรกประการที่สอง คำถามของบางคนบอกว่าทําไมพระเยซูถึงต้องสาบต้นมะเดือ่อนะครับดูเหมือนว่าพระเยซูนั้นโมโหหิวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ถึงฤดูผลมะเดือ่อแท้จริงแล้วแม้ว่ายังไม่ถึงฤดูผลมะเดือนะครับแต่ธรรมชาติของมะเดื่อนั้นเขาออกนะครับออกลูกออกลูกนี่ครับในฤดูเก็บเกี่ยวนะครับถึงสองสามรอบด้วยกันแม้ว่าจะไม่ถึงฤดูหลักของการเก็บเกี่ยวยังไง นะครับมาเดือนนั้นก็ควรจะมีลูกมีลูกเขียวบ้างนะครับหรือลูกเล็กบ้างหรือลูกกําลังเหลืองบ้างยังไงก็ต้องมีครับพี่น้องครับแม้ว่ายังไม่ถึงฤดูผลมาเดือหลักนะครับฤดูเก็บเกี่ยวผลมะเดือดักมาเดือหลักแต่จะต้องมีลูกครับพี่น้องครับตรงนี้เองทําให้เราเห็นว่าชีวิตฝากจิวิญญาณของเรานะครับแม้ว่ามันยังไม่เกิดผลนะครับมาก เพื่อพอที่จะเกี่ยวได้แต่มันต้องมีผลครับจะได้เห็นถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเองนั้นจะต้องมีผลพระวิญญาณสุทแม้ว่าเราจะมียางไม่มากในเวลานี้อิสราเอลนั้นควรจะมีรับมีแล้วครับเพราะว่าพระเจ้าเลือกสรรอิสราเอลมาหลายพันปีจนกระทัง่งถึงพระเยซูแต่อิสราเอลก็ยังไม่สามารถที่จะรู้จักกับพระเมสสิยาห์หรือบุคคลที่พระเจ้าส่งมาซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริส ต, ต์ด้วยเหตุนี้ครับ ทำให้เราเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมเปเยซูจะต้องสาบต้นมะเดือ่อการที่เปเยซูสาบต้นมะเดื่อไม่ใช่เพราะโมโหหิวครับไปไม่ใช่เพราะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่เป็นเพราะภาษาจีนเรียกว่า p a r a i b l e act ก็คือการกระทํานะครับซึ่งกลายเป็นคําสอนครับคําำคาคําซึ่งกลายเป็นคําสอนนะครับการกระทํานี้สอน นะครับสอนเป็นเหมือนกับคำอุปมานะครับนั่นเองพระบัญญก็คือการกระทําอันเป็นอุปมานั่นเองทําให้เราเข้าใจว่าทําไมพระเยซูต้องทําอย่างนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องครับผมขอสรุปในวันนี้มะเดื่อคืออิสราเอลนะครับพระเจ้าพระเยซูสาบบนมะเดื่อที่ไม่เกิดผลทั้งที่มันสมควรจะต้องมีผลขอพระเจ้าไว้พร้มพี่น้องที่รักของเราในวันนี้เพื่อที่เราจะเป็นคริสเตียนที่เกิดผลครับอาเมน